นีไม่ได้จำใจไฟไปนิดนิ ด, นดหน่อยๆหยลบได้หลบอีกแล้วความรู้ที่ได้มานะพูดตรงๆเลยกระจกบางทีก็ถูกหลอกนะเขียนโปรเจก ต, ต์ไปลผมลมสัมมนากลับมาแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นได้เลยคนไหนเคยขี้เกียจทำงานยังไงก็ขี้เกียจอย่างนั้ น, นคนไหนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่สนใจอยู่อย่างนั้นนะ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 บรรลุพระอาหานทํถ้าไม่มรู้ได้ว่ะเมาเหล้ามาพก็ขณะที่ฟังธรรมไม่ได้กินเหล้าขนาดฟังธรรมนั้นเกิดมีสติขึ้นมานะกินเหล้าไม่ดีตรงทําลายสตินั่นแหละเพราะนพวกเราคนไหนยังอดเหล้าไม่ได้อยากรุ่มใจนะกนะนะินให้เป็นเวลาสุลาเมระยะมัมมมมชฌะ ป, ประมานะใช่ไหม<สๆ>บอกให้กินเป็นเวลาเวลาหลวง